เรื่องไม่ให้ลำบากหนึ่งเรื่อง191สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปที่ตแตลงแกงบอกนายเพชฌฆาตว่าท่านอย่าทรมานนักโทษคนนี้เลยจงประหารชีวิตด้วยการฟันครั้งเดียวเพชฌฆาตรับคำแล้วประหารชีวิตด้วยการฟันครั้งเดียวภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตรปาราชิกหรือนอจึงนาเรื่องนี้ไปกาวทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัตรปาราชิกวงเล็บเรื่องที่หนึ่งร้อย